และธรรมเทศนาลำดับที่20สิบโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าหนึ่งสมองสองเท้าเอามาจากใครให้คิดดูวันนี้เป็นวันสำคัญของประเทศชาติของเราคือเป็นวันปีใหม่ปีใหม่ไทย ถือกันมาตั้งแต่โบราณกาลวันที่ส3เมษาห้สปีนี้เป็นปี54แล้วนะคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานแล้วก็ถือกันมาตั้งแต่โบราณกาลพอมาถึงยุคใหม่สมัยใหม่โลกเจริญไปมาหาสู่กันเขาก็ได้สมมติกันขึ้น ทั่วโลกว่าวันที่หนึ่งมกราเป็นวันปีใหม่พวกเราก็เลยยับย้ายไปสู่สากลก็นึกนับว่าวันหนึ่งวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันปีใหม่สากลทั่วโลกแต่ถึงยังไงพวกเราก็ยังถือวันที่สิบสามปีใหม่ไทยพราถือมาตั้งแต่โ บ, โบราณโบราณ น, นกการ ในชาติแต่ละชาติแต่ละภาษาของเขาเขาก็ถือว่าเป็นวันไหนเป็นวันสำคัญยิ่งประเทศไทยของเราเป็นวันเอกราชได้รับเอกราชมานมนานพวกเราก็เป็นถือว่าวันวันสำคัญในชาติของเราก็มีหลายวันทั้งวันศาสนาด้วยทั้งวันจักรีวันสงกรานวันอะไรตัวมีอะไรต่างเยอะแยะ ใช่จะว่าไปแล้วเกือบจะเป็นวันหยุดมากทีเดียวคือวันถือว่าเป็นวันสำคัญอันนี้ก็เป็นวันพักพรของพี่น้องประชาชนทางรัฐบาลเขาก็ให้โอกาสออกมาพักผ่อนหยุดการงานรัฐวิสาหากิจบริษัททางร้านต่างๆเขาก็ต้องปิดร้านเพื่อให้พนักงานหรือว่าผู้ที่ทำงานได้พักพร คลายเพื่อเยี่ยมพ่อแม่เยี่ยมญาติผู้ที่อยู่ห่างไกลของกลับมาเยี่ยมญาติเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่แต่ว่าก่อนที่จะกลับมาแต่บางคนก็ได้คิดวางแผนว่าปีนี้ที่จะมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เราจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างแต่บางคนก็ถึงข่าวหยุดก็หยุดไปอย่างนั้น่ะ คือไม่ได้เตรียมตัวอะไรอย่างนั้นก็มีแต่ที่วัดของเราคณะสัายาติษมที่มาวัดในวันนี้ก็คงจะเออเห็นคนไม่ค่อยมากวัดหลวงพ่อวันนี้ทั้งที่เป็นวันสงกรานแต่ตามไม่จริงพี่น้องอำเภอน้ำโสมนายุงเขานัดประชุมกันนัดมารวมกันตั้งแต่วันที่สิบเอ็ด คือหัวหน้าสวนราชการก็คื อ, คอทนนายอำเภอเป็นประธานแล้วก็มีหัวหน้าสวนราชการทุกหน่วยก็ น, นัดกันมามุดน้ําดําหัวตามประเพณีเขาทํากันตั้งแต่วันที่สิบอดพอวันนี้แล้วก็เพราะว่าสวนราชการก็แยกย้ายกันกลับบ้านกับที่พักผ้าใสบ้านเรือนของตอนเองไปกราบพ่อแม่ของตอนเอง พี่น้องชาวอำเภอนายูงเออได้กลับไปกราบหลวงพ่ออินแล้วตั้งแต่วันที่สิบเอ็นะวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มาพวกเราก็อื้อดีเพราะว่ามันจะกระจายกระจายกันก็ดีเหมือนกันนั่นแหะแต่กระจุกกันมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันประกุมันมากแต่วันนั้นก็มากเหมือนกันนะหลายร้อยคนเหมือนกันสาลาชั้นบนชั้นล่างเต็มวันนั้นเพราอมันเป็นสองอำเภออำเภอน้ำโสมแล้วอำเภอนายูงด้วยนะ อันนี้ก็คือเป็นประเพณีถือกันมาตั้งแต่โมราณถ้าหงางพี่น้องคณะัาตาญาติโยมมีพระสงฆ์อยู่ในถิ่นฐานบ้านถิ่นของเราเขตอำเภอจังหวัดของเราที่เรารักเคารพนับถืออันนี้ก็ว่าสมณชีพามอยู่ในท้องถิ่นพวกเราก็ไปแสดงความเคารพไปกราบ เกิดขอสินขอพรจากนั้นก็มีผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอายุมีศีลธรรมให้ความคุ้มครองลูกหลานมาแต่ดึกําบันพ์พวกเราไปกราบไปคารวะผู้สูงอายุผู้มีคุณธรรมผู้มีศีลธรรมผู้คุ้มครองดูแลลูกหลานให้ร่มเย็นเป็นสุขเ น, นี่ก็ไปการาบคารวะผู้สูงอายุจากนั้นก็กราบพ่อแม่ของตนเอง ปูหย่าตายายของตนเองอันนี้คื อ, คอถือเป็นประเพณีดีไหมจตกคิดได้แง่ดีก็ดีอย่างดีมากมากเพราะเหตุใดเพราะเรารู้จักวั ย, ยวุฒคุณวุฒ ร, รู้จักกราบไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีพระคุณถ้าพูดไปคนโบราณหนึง่งเขาทำเขาถือกันมาดีมากนะ แต่บางครั้งมาถึงยุคของพวกเราก็ทําบางทีก็ทําตลิดเปิดเปิงเกินไปพอถึงวันสงกรานต์เข้ามาแหละกัผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งที่อยู่ในวัฒนธรรมวัฒนธรรมเรียบร้อยวัฒนธรรมมันมีหลายระดับวัฒนธรรมเรียบร้อยวัฒนธรรมสนุกสนานวัฒนธรรมวัฒนธรรมแวกแนวมันมีวัฒนธรรมหลายๆอย่างเหมือนกัน แต่พวกเราจะถือวัฒนธรรมไหนเถอะสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุก็ควรจะอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนลูกหลานเข้ามาก็จะได้มากราบมาไหวมามุนามดน้ําดําหัวให้ศีลให้พรใส่ชุดให้เรียบร้อยใส่ผ้าสบงสบายดูบ้านเรือนให้เรียบร้อยลูกหลานจงช่วยกันดูถ้าลูกหลานมาจากทางอื่นทางไกลมากราบมาไหวปูย่ย่าตายายก็ให้ศีลให้พร อันนี้ก็คือวัฒนธรรมที่ดีนะควรจะเป็นอย่างนั้นแต่วัฒนธรรมบางอย่างผู้เท่าผู้แก่บางคนออกนอกกลุ่มนอกนนนนทางคึกส น, นุกสนานเอาสนุกเมื่อแกเอาซื้อซื้ อ, อเหล่าม า, ามาเลี้ยงกันที่นั่นก็กิกนเหล่าเมายาทั้งพ่อตู่แม่ตาพ่อตาแม่ยายผู้สูงอายุผลที่สุดก็น ลองรำทำเพลงกันอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งเหมือนกันแต่ตามไม่จริงดูดูแล้วตามสายตาของวัฒนธรรมอย่างหลวงพ่อวะไม่ค่อยจะเหมาะถ้าทำอย่างนั้นเพราะไม่เป็นตัวอย่างลูกหลานเข้ามาก็ไม่รู้จะกราบจะไหว่ยอย่างไรมากับพ่อแม่ตัวเองดูดูแล้วก็เห็นแล้วข่อละอายอีกต่างหากไม่สุภาพอีกต่างหากไม่เป็นตัวอย่างที่ดี แตะท่นี้ถ้าหากว่าต่อไปภายภาคหน้าบุกญาติตายายพ่อแม่ของเราทําอย่างนั้นลูกหลานเขาเห็นเขาก็กรอักกระอ่ะวนเหมือนกันนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้ผู้สูงอายุต้องดูตนเองเหมือนกันอย่าเป็นอย่าไปเป็นวัฒนธรรมอย่างนั้นเถอะนะเป็นเป็นวัฒนธรรมเรียบร้อยจะดีกว่าสําหรับลูกหลานก็เหมือนกันเถอนะ เ, อเมื่อเข้ามากราบพ่อแม่เราอยู่ห่างไกล ไปทำการทำงานไปหาเงินคำทรัพสมบัติไปหาเงินเดือนต่างต่างถิน่นต่างแดนกลับมาแล้วทั้งพ่อทั้งสามีภรรยาลูกเราก็ควรเออปีนี้เราจะเอาอะไรไปฝากพ่อตาแม่ยายเอามาฝากปู่ย่าทั้งฝ่ายพ่อแม่สามีเระวอกปู่ย่าทั้งฝ่ายพ่อแม่ภรรยาเ่าวอาตายาย เราจะเอาอะไรไปวฝากตาฝากยายปีนี้เราจะเอาอะไรไปฝากปู่พักฝากญ้าปีนี้จากนี้พวกเราก็ต้องได้คิดถึงจะไม่มากก็ต้องน้อยก็ต้องเอามาฝากท่านเพราะเอามาบูชาพราะคุณท่านเพราะท่านเป็นผู้มีอุปกราระคุณเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกราระก่อนคือพ่อแม่ที่ท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงใหญ่ถึงขนาดนี้พวกเราก็ได้ทำหน้าที่การงานมีเงินดั้มเงินเดือนกินแต่เราก็รู้จักประหยัดสักหน่อยในเดือนนั้นเราก็เออเอาเออกมาให้พ่อแม่ถึงจะไม่มากจะเป็นน้ำใจของลูกของหลานพ่อแม่ก็ดีอกดีใจเหมือนกันนะนี่อันนี้ก็ขอฝากเว้ยกับพวกเราลูกหลานให้เสี่ยมสอนลูกหลานของพวกเราเอาไว้แล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานเขาได้เห็น เนี่ยแหละอันนี้ก็คือเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งเพื่อเป็นการปูทางแต่เมื่อเราเป็นผู้เฒ่าผู้แกต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานของเราก็เห็นเออพ่อแม่ของเราเนี่ยเวลาท่านไปทําการทํางานมาท่านก็มีเสื้อผ้ามีของใช้มีเงินมาใส่มือปูยาตายายพวกเราเนี่ยควรจะทํำยังไงเขาก็ถือเป็นตัวอย่างสืบท อ, อ, อ, อดไปเรื่อยๆนี่แหละคือวัฒนธรรม ที่ดีสรุปแล้วก็คือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นเกเรเกตุงเ อ, อไปทําการทํางานก็ไม่รู้อะไรจะเอามาฝากพ่อฝากแม่ผลในสูตรนู่ น, นอพอเลิกงานว่าคุณจะได้กลับบ้านแล้วนะเอากลับบ้านเอาซื้อเล่ามาเลี้ยงกันตั้งแต่เมาตั้งแต่สํานักงานกลับมาถึงบ้านมาถึงบ้านกับเมาอีกพอเมาหัวลาน้ํา เวลากลับออกไปเมาอีกจากบ้านจะไปถึงสำนักงานอย่างนั้นพวกเราว่าดีไหมเป็นลูกที่ดีไหมหลานที่ดีไหมเป็นวัฒนธรรมที่ดีไหมพวกเราก็ต้องว่าไม่ดีเพราะเหตุไรเวลากลับมาหาพ่อแม่ต้องมีสติสำปัญญะมีสตังด้วยไม่ใช่สติเฉยเยต้องสติสมบูรณ์แล้วก็มีสตังด้วยมาฝากพ่อฝากแม่สตังนะสติตัวเองก็สมบูรณ์ เข้ามาแล้วก็จะม า, าเออพ่อแม่เป็นยังไงหนีไปพวกผมหนีไปทําการทํางานหลายเดือนออพ่อแม่ไปยังไงสุขภาพไปยังไงเจ็บไข้ได้ป่วยไหมออมียังไงจตุปัจจัยเงินพอเป็นไปได้ไหมเออพ่อแม่ออรู้สึกว่าป่วยไม่สบายพวกเราควรจะลงขันกันเอาเงินมาลงขันกันออให้ใครเป็นผู้ดูแลอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็พร้อมกันลูกลดหลายๆคนอย่าไปถือว่าคนอยู่ใกล้อยู่ในบ้านนั่นนหะเป็นพ่อแม่ของคนนั้นไม่ใช่นะคนที่อยู่ไกลก็คือลูกของพ่อของแม่เหมือนกันเลี้ยงดูท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราจะหาว่าท่านรักคนนั้นท่านไม่ชอบคนนี้ท่านเกลียดคนนั้นท่านไม่พอใจคนนี้อันนั้นเป็นลูกอากตันยูหาเรื่องใส่พ่อแม่ แต่ตามไม่จริงพ่อแม่จะให้รักเสมอกันนั้นเป็นไปไม่ได้เราก็รู้ว่าพ่อแมนะ่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่รักโลภโกรดหลงอยู่จะให้รักลูกเสมอกันเป็นไปไม่ได้อันนั้นคือธรรมชาติแต่ถึงยังไงพ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามาอันนั้นตั้งแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่เป็นเด็กเราได้ใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้แล้วเราพร้อมที่จะกระโดดไปในทิศทั้งสี่แวกว่ายไปในทิศทั้งสี่ได้ แปลว่าเราสมบูรณ์แล้วมีขาสองแขน ส, สองสมองหนึ่งพ่อแม่ให้มาบริบูรณ์แล้วอันนี้แหลววะว่าเราบริบูรณ์แล้วจากนั้นเราก็เดินไปในทิศในไหนก็ได้การสสแสวงหาทรัพย์มันอยู่ในกำรร ม, มือของเราทั้งหมดเราจะขยันหรือเราจะขี้เกียจเราจะมีปัญญามากน้อยแค่ไหนทรัพย์สมบัติมีอยู่ในแผนดินมีตังเยอะแยะแต่ถ้าว่าเราโง่เสยอย่างเดียวเราก็หาทรัพย์ไม่ได้ แต่เราใส่สชราตเราก็ส่ะแสวงหาทรัพย์ด้วยความหมั่นความขยันแล้วก็ประหยัดรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใช้ความร่ำรวยก็จะเกิดขึ้นมาเองเพราะนั้นเราไม่ต้องมุ่งหวังจากพ่อแม่พ่อแม่ของท่านท่านหามาได้ท่านจะให้เราเท่าไหร่อันนั้นเป็นหน้าที่ของท่านอันนั้นเป็นเรื่องของท่า น, นเราไม่ต้องมุ่งหวังแต่ถ้าว่าท่านให้ได้ให้มาก็ดีเราไม่ต้องพูด ติฉินดินทาพ่อแม่ซุบๆุบซิบซิบท่านให้เท่านั้นท่านไม่ให้เท่านี้ท่านรักคน่คนคนนั้นน้องคนนั้นพี่คนนั้นลูกหลานคนนั้นท่านไม่รักไม่เมตตาในครอบครัวของเราท่านให้มากให้ท่านให้น้อยสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องพูดให้ลูกลูกฟังเพราะมันเป็นเครื่องกระเทือนและมันเป็นเครื่องที่ไม่ดีท้านเราพูดไปแล้วเนี่ยทให้ลูกของเราเนี่ย ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อลูกใหญ่ขึ้นมาแล้วก็นินทาพ่อแม่นินทาเราเนี่ยเพราะเราก็ัอรักคนนั้นไม่ชอบคนนี้มันก็มีอยู่ในลูกของเราเพราะฉนั้นบอกแต่ว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วพอแล้วเราพอแล้วอย่างหลวงตามหาบัวของปู่ล้านหลวงพ่อไม่ได้ตำหนิท่านมาท่านให้คนนั้นท่านไม่ให้คนนี้ท่านรักคนนั้นท่านไม่รักคนนี้หลวงพ่อมาได้ผูกเพราะเหตุไร เพราะท่านสอนธรรมะให้แก่เราแล้วเราจะนำธรรมะทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาประพฤติธปฏิบัติตนอย่างไรที่จะเดินทางแล้วนำมาประพฤติธปฏิบัติขยายผลอย่างไรจึงจะเป็นที่ยอมรับเราส่ะแสวงหาเองอย่างพ่อแม่ก็เหมือนกันพ่อแม่เราเกิดมาแล้วพ่อแม่ให้ใครหลวงพ่อไม่ได้ใส่ใจท่านจะให้ใครก็ไหนเรื่องทรัพย์มรดกเราได้มรดก จากพ่อแม่คือขาสองแขนสองสมองหนึ่งี่พอแล้วนั่นนะต้องเป็นตัวของตัวอย่างนั้นเราจะไปคิดทิ้งให้พ่อให้แม่ว่าท่านแบ่งมรดกไม่สม่ำเสมออันนั้นเป็นมนทินในจิตใจของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันเคยมีนะบางทีก็แตกแยกสามัคคีในะพี่น้องเราห้องระแหงกัน มันเคยมีเพราะนั้นหลวงพ่อในฐานะเป็นพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ที่ว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ฝ่ายชี้นำทางฝ่ายธรรมะหรือว่าเด่นนำทำคาสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา แล้วเมื่อพวกลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาแล้วเป็นยังไงทีนี้หลวงพ่ออีนพูดถูกไหมนี่ยไม่ใช่ว่าฟังฟังแล้วก็แล้วไปไม่ใช่อย่างนั้นนะฟังแล้วถูกไหมหลวงพ่อคิดว่าเอาความจริงมาพูดให้แก่ลูกแก่หลานแก่กรัทธาญาิโยมฟังเมื่อฟังแล้วก็จะได้นํานํามาปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยท่าจะว่าไปกันว่าสมณะชีพรมลำ สมณชีพามเป็นผู้ชี้นำทางความคิดความเห็นของลูกหลานพี่น้องประชาชนให้คิดเห็นไปในทางที่ถูกต้องเป็นสมาธิบอกบอกกล่าวให้พวกเราเอ่อมีความเห็นไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นธรรมไปในทางที่มีเหตุผลนะถามว่าพวกเราทาอย่างที่หลวงพ่อพูดดีนะ เราจะรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักวงศาคนาญาติขึ้นมามากทีเดียวการว่าพวกเราเห็นมองกันแต่แง่ร้ายเอมองกันไม่ได้มองกันในแง่เหตุผลเอคนไหนในมากคนนี้ในน้อย น, น้อยคนท่านพ่อรักคนนี้แม่ไม่รักเอลักษณะอย่างนั้นเอหลวงพ่อเนี่ยเป็นลู ก, เ ป, ลกเป็นลูกพ่อลูกแม่เหมือนกันหลวงพ่อนี่รู้เอพ่อแม่รักใครนี่แต่ ท่านให้เราขนาดที่เราพอแล้วถ้ารู้จักเมืองพอแล้วนะพอถ้าไม่รู้จักเมืองพอนี่หิวหัวอยู่ตลอดอิจฉาพี่อิจฉาน้องผลที่สุดฆ่ากันท่ไงแ่ม อ, อ, อย่างนั้นก็มีแต่ถ้าอย่าพวกเรานะได้เข้ามาศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาและเรามาศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าได้มออีอย่าได้มีในใจอย่างนั้นนะให้รักพี่รักน้อง เพราะว่าขาสองแขนสองพ่อแม่แบ่งให้แด้วนี่นี่ละดีที่สุดแล้วอันนี้ก่อนหลวงพ่อเตือนกล่าวเตือนวันสงกรานให้แก่พวกเราได้ทั้งหลายได้ซ้านึกได้คิดอันนี้ส่วนทางด้านธรรมะทางด้านจิตใจทีนี้ให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายอย่าลุล่มหลงมัวเมาอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปการสแสวงหาทรัพย์ก็จาเป็น การแสวงหาทรัพย์เนี่ยจำเป็นสแสวงหาทรัพย์คื อ, อรายเงินดําเงินเดือนทำมาค้าขายหาเงินเข้ามาเจือจุนครอบครัวจำเป็นอย่างมากแต่เราจะถือว่าการหาเงินมาเจือจุนครอบครัวนั้นสำคัญที่สดุดไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าถึงเราจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวของเราอุ ด, ดมสมบูรณ์ขนาดไหนล่ารวยมั่งมีสีสุขขนาดไหน ของใช้ของอะไรทุกอย่างในครอบครัวของเราสมบูรณ์บริบูรณ์ขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายของเราไม่มีวันจะหนุ่มไปข้างหน้าต่อไปก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บลกรตายตายแล้วก็สมบัติที่หามาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงด้วยความยากความลําบากนั้นเราเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างทิ้งทั้งหมดเราเห็นไหมปู่ย่าตายายของเราตายไปแล้วเอาน้ํารถมือ ใส่ฝามือมันก็ไหลทิ้งเท่านั้นเองไม่ค้างในมืออีกต่างหากไม่ต้องพูดถึงทรัพย์สมบัติอย่างอื่นเทิ้งทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะร่างกายนี้เป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเพราะเราเพราะเหตุ น, นั้นเราอย่าไปหวังหาความสุขในทรัพย์สมบัติจนเกินไปเพียงพอขนาดใดขนาดหนึ่งแล้วก็พอเป็นไปได้แล้วก็อจบจากนั้นก็ให้ ส, สวัสดิหาอาหารเข้าสู่จิตใจ ปัจใจสี่คืออาหารร่างกายแต่ทรัพย์สมบัตินั่นคืออาหารร่างกายส่วนศีลและธรรมอย่างที่พวกลูกหลานได้มาวันนี้มากราบมาไหวมาไห ว, ไวพระประธานมาฟังโอวาทและจากนั้นก็ น, นําไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวายจาใจของเราให้ทานรักษาศีลไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบนั่นแหละคืออาหารเข้าสู่จิตใจถ้าว่าเราได้ศึกษา ตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรพวกเรานํามาประพุทธปฏิบัติกายวาจาจใจของเราทําจิตใจให้สงบติดใจนิ่งจิตใจมีเหตุมีผลเมื่อเราทําอย่างนั้นได้นั่นแหละเมื่อเท่าแก่ชรามาเราก็มั่นใจเลยท่นี่เ อ, อเราได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเราได้พิจารณ า, นานแวะแล้วทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย ตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกบาป บ, บุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงข้าพเจ้าได้สังสมคุณงามความดีข้าพเจ้าได้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของข้าพเจ้านับว่าพอสมควรเป็นที่อุ่นใจแอบจากนั้นใจของเราก็มีหลักเมื่อคนใจิตใจมีหลักเมื่อเท่าแก่ชราเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็มั่นไม่หวั่นไหวกลวยแกว้งเพราะเหตุใดเพราะใจของเรามีหลัก มีหลักยึดคือยึดพระพุทธเจ้ายึดพระธรรมยึดพระสงฆ์ยึดธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยึดศีนยึดธรรมยึดในภาคปฏิบัติของตอนเองใจของเราก็มั่นคงเมื่อใจมั่นคงนั่นแหละสุขติเป็นทางไปแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่สแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวไม่ได้คิดเรื่องศีลเรื่องธรรมเฉลยอันนั้นไม่ถูกนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเลี้ยงร่างกายเลี้ยงขนาดไหน เลี้ยงขนาดไหนและเลี้ยงดีขนาดไหนก็จะร่างกายในแก่เจ็บตายในที่สุดไม่เป็นอย่างอื่นแต่ควรจะหาอาหารเข้าสู่จิตใจอาหารจิตใจก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้หันหน้าเข้าวัดศึกษาศีลนักษาธรรมถึงจะไม่มาวัดก็ไหวพระสวดมนต์กลางคืนก็นั่งภาวนาสักห้านาทีสิบนาทีได้ไหมเสียสละเวลานั่งขัดสมาธิพุโทโธพุโทโธพุโทโธในใจนี่แหละเป็นการฝึกนะถ้าวันไหนมีฟองว่าง จิตใจสบายๆก่อนั่งเป็น20่สบสานาทีนั่งเป็นชั่วโมงตามลําพังอยู่ในมุมอยู่ในมุมสงบเหมืนกัพุโทโธพุโทโธพุโทโธในใจให้ดูใจนั่นแหละเอาพลังเข้าสู่ใจถ้าว่าภาวนาพุโทโธให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองนั่นแหละเอาพลังเข้าสู่ใ จ, ใจิตใจแหละเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ถ้าใครทําได้อย่างงั้นนะเพราะนั้นนะขอฝากไว้กับผูก้กับหลานราชธายาจโจมเนะเป็นวันนี้เป็นวันสําคัญ หลวงพ่อก็ได้พูดแนแนวความคิดมากมายหลายหลายอย่างให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกพวกเรามาสู่วัดวาศาสนานะตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเป็นสิริมงคลของพรปีใหม่นะ